ยเสียเลือกเสียเนื้อไม่ใช่เบาหนาที่รารักษาสอไปเพลงแผ่นดินของเราถึงอยู่ควานใดไม่สุขสําราญเหมือนอยู่บ้านเรา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 นกดอยคลอยบินเมื่อเดียวดายคิดคิดมิวายกงมงวลให้ ม, มนรู้ไทยหมองขาดมวนนิดไรคนสนิดคู่เคียงครงลงไหลไม้ปองคนปราณีขาดเืินแหล่งพักพอนักนอนขาดยาดบิดดอนและน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 ทรงทะลุ ป, ปรุปโปร่งหมดทรงตั้งใจทําอะไรก็ตั้งพระไทยแล้วไปสู่การปฏิบัติที่เป็นผลเคยเล่าให้ฟังแล้วใช่ไหมครับตอนที่ได้รับดุษฎีบัณฑิตแพทยศาสตร์รับสั่งว่าเป็นหมอยาแล้วพอถัดมาได้รับนิติศาสตร์ทรงบอกว่าเป็นหมอยาเสร็จแล้วเป็นหมอความแล้วถัดมาอีกสักพักได้เกษตร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 เสด็จไปแล้วเราก็เข้าค่ายไปนอนอยู่ในค่ายมลคกัทยวันนอนอยู่ก็ปรากฏว่าตีสองวิทยุเรียกมาให้ไปเข้าเฝ้าเราเหนื่อยมาตั้งแต่บ่าย4โมงเย็นจนกระทั่งถึงห้าทุ่มแผ่นอนสลบสไลดยหมดเลยตีสองทรงเรียกไปขอแผนที่ขอข้อมูลเพิ่มเติมในขณะที่เรากลับไปสลบไลดยทรงกลับไปทรงงานต่อเราละอายหครับ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 พอหัวเราะพาพอเล่นดนทรีพาพพอยำโคลนพาพพอตราสรัมในทุกพื้นที่พาพอก้มลงไปจับมือเด็กน้อยกราบสวัสดีภาพเหล่านี้ประทับใจเราไม่เคยเลือนหายพาพพอทำงานกลางแดดรำเหงือไหลเต็มหน้า ชราที่พ่อโน้มตัวเพื่อไปรับไว้ผาโพกเป็นลูกที่กิตั้อยู่ภากความรักอีกมากมายที่ยังคง คาาวามหงายของพ่อที่ทุงเทให้เราร่งเย็นศึกษา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 ต่อความห่วงใยของพ่อทีุ่่งเทให้เราร่มเย็นสุขสบายจึงร้องเพลงนี้